พระธรรมเทศนาแผ่นที่หนึ่งรลำดับที่9โดยหลวงพ่ออินถวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมในวันที่หนึ่งตุลาคม2559มีชื่อเรื่องว่าอยู่ด้วยความเมตตาต่อกันวันนี้เป็นวันเสาร์ที่หนึ่ง ตุลาคมพุทธศักราช2559วันนี้เป็นวันอุโบสถของพวกเราเดือนสิบดับอย่างอีก15วันจากนี้ไปเป็นวันออกพรรษาพระนวันนี้เป็นวันอุโบสถพวกเราลงอุโบสถฟังพระปฏิโมกจบลงสักครู่นี้ แต่คราวหน้าพวกเราจะไม่ได้ลงไ ม, ไม่ได้ลงอุโบสถแต่มีการปรวราณาแทนคือใช้คำสวดปรวราณาซึ่งกันและกันก็ใช้เวลาไม่แพ้ลงพระปฏิโมกเหมือนกันลงใช้เวลานานพอสมควรแต่จะจบกล่าวไปเต่ละองค์ละองค์จนถึง 45-46 โรูป แต่ถ้าหากว่าลูกพระลูกหลานทั้งหลายเขคงอยากจะสร้างอ้ทาพระเป็นพันล่ะหลวงพอ่อพระสี่ห้าร้อยล่ะท่านจะประวัตนาอย่างไรในพระวินัยท่านให้พันษาใกล้เคียงกันสุโม่พันสาสาหรือพันษา25้าพันษาส0พูดพร้อมกัน ปววณาพร้อมกันสร้างคำพันเตปวารเรมิตเทนวาุเตนวา้าพันษาหะลงมาพร้อมกันลักษณะอย่างนั้นะคือไม่ใช่พูดปววณาทั้งหมดไม่ใช่ถ้ามันน้อยพอที่จะทนได้อยู่ก็ให้ปววณาเป็นองค์ไป เลียงธีระองค์ตามอายุพัรษาแต่ของเรานคณะพระขนาดนี้เราก็ควรจะเลียงลำดับพรรษากันธนะีระองค์ละองค์กล่าวคาประวารณาเพราะนั้นให้พระลูกหลานทั้งหลายพยายามท่องสารยา่ใให้ได้คล่องหนะ้าคำประวารณาออกพรรษาข่าวหน้านี่แหละพวกเราจะไม่ได้หลงอุโบสถ เราจะสวดยติปรวรนาแทนแต่องค์ไหนที่สวดปฏิโมกได้แล้วนะห<ส>ลวงพ่อเองก็จะให้รุ่นพี่ท่านฝึกสอนกันฝึกซ้อมกันให้สวดปฏิโมกเรียงลำดับกัน<ส>เพื่อจะได้เมื่อได้สวดได้แล้วเน่เราก็จะได้สวดไปเรื่อยถ้าหากว่าสวดยังไม่ได้หรือว่าสวดยังไม่เข้า ยังไม่ดีออกสิอักระไม่ได้นะเราก็จะได้ฝึกซ้อมกันมันก็ไม่เหลือวิสัยหรอกถ้าว่าพวกเรามีความพยายามมีความตั้งใจมีความมุ่งมั่นอยู่ไม่เหลือวิสัยถ้าว่าพวกเราเลอะแหละมันก็อย่างว่าเนี่ยคือกลัวขยาดไว้ก่อนแล้วมันก็ไม่สําเร็จเพราะนั้นให้พวกเราใส่ใจมุ่งมั่น เพราะเป็นหน้าที่ของพวกเราทุกองค์ที่เป็นพระโดยเฉพาะอย่างยิ่งพระน้อยพระนมเนี่ยหลวงพ่ออยากจะเน้นเพราะอนาคตของเรายังยาวไกลพวกเราจะได้ปวดเข้ามาแล้วจะได้รักษาหลักพระธรรมวินัยต่อไปภายภาคหน้าเพราะนั้นเรื่องพระพระปฏิโมกน่อยากจะให้พระลูกพระหลังอย่ามองข้ามเราจะภาคภูมิใจนานเท่านานทีเดียว ถ้าเราสวดพระปฏิโมกได้เพราะนั้นขอให้พวกเราฝึกซ้อมถ้าผู้ที่ได้แล้วก็ฝึกซ้อมเอาขึ้นมาเลยถ้ารุ่ณพี่รับรององค์สององค์แล้วไปซ้อมฝึกซ้อมกันแล้วได้แล้วกันะเอาขึ้นมาสวดฟังต่อไปเมื่อสวดครั้งหนึ่งครั้งสองได้แล้วกันะมันก็จะมั่นใจ ในการสวดพระปฏิโมกขอให้พวกเราทุกๆวงนะในช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่หัวเลว้หวหัวต่อช่วงที่จะออกพรรษาและการงานของพวกเราคงจะมีอยู่บ้างละมีการดูแลปัดกวาดทาความสะอาดคู่คู่คนที่มาเกี่ยวข้องก็มีแล้วก็ทําความสะอาดพวกที่หลับที่นอนที่พวกเราใช้มานานแล้วก็ควรจะมีการ ซักผ้าให้ช่วยๆกันดูนะแต่ถึงยังไงงานมีงานพร้อมเพียงสามัคคีเนี่ยถึงยังไงเรื่องการทะเลาะวิวแว้งกันอย่าได้มีเด็ดขาดอันนี้ขอย้ำเพราะว่าการที่จะมาทำการทำงานในที่สาธารณะโดยมากมันจะข้อแกะการพูดห ย, ยอกล้อเล่นกันผลที่สุดก็เลย มีการทะเลาะวิวาทกันได้ไง่ายๆเพราะฉะนั้นอย่าไปหยอกไปล้อกันเราเป็นพระเราไม่ใช่เป็นคารวะญาติโยมนิสัยอกัปกิริยามนาุษย์เราต้องสำรวมระวังตามหลักพระธรรมวินัยตามตามหลักธรรมคำสอนที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านถือมากถ้าไม่จําเป็นอย่าไปหยอกไปล้อไปเล่นกันเหยิงยิ่งยิ่ ง, งพวกเราต่าง คนต่างอยู่ต่างตระ ก, กูลของพวกเราเพราะนั้นพวกเราให้ระเวงระวังเอาไว้ถึงจะเป็นการสนิทสนมสนิทชิดเชือ้อคอให้อยู่ในจิตในใจการพึ่งพาอาศัยกันถ้าหากว่ามันมีเรื่องทะเลาะวะแหวงกันแล้วนะั้มันกินแหนงแข่งใจกันไปนานเท่านานที่เดียวเพรานั้นอย่าได้มีในหมู่ในคณะของเรา ตาผู้ที่เป็นจะไปบวชเข้ามาสามเดือนเป็นขรัตการทำงานบริษัทห่างร้านาถ้าพวเราจะออกไป เ, เป็นคราวาสอันนั้นก่อนเราก็ยิ่งเราเหวียงระวังตัวให้ดีต่อไปพายภาคหน้ า, าพวกเราออกไปแล้วก็จะได้พึ่งพาอาศัยกันอยู่คนละแห่งคนตำบลใดก็ตามเรียกร้องหากันได้เพราะเรารู้จักใน ในขณะที่เราบวชพึ่งพาอาศัยกันนี่แหละกันตาหาว่ามีพี่มีน้องมีวงศาคณาญาติมีมิตรมีสหายมากมันเป็นผลดีทั้งนั้นแหละถ้าว่าอยู่ตามลําพังเวลามีอะไรเกิดขึ้นเราจะเรียกร้องไปหาใครก็ลําบากเพราะอะไรเพราะเราไม่มีพักมีพวกมีหมูมีเพื่อน เพราะนั้นเรื่องพรรคพวกมูเพื่อนที่ดีกัลยานามิตรที่ดีเนี่ยควรจะแสวงหาควรจะประกอบแล้วก็ควรจะเข้าไปใกล้กันกัลยานามิตรเนี่ยถ้าวัดดูแล้วเป็นป้าปะมิตรเราควรจะหา่างถ้าเป็นป้าประมิตรคือมิตรชั่วมีแต่เกเรมีต่ทานักเลงมีแต่แนะนาไปทางที่เร็เวๆเพรอั น, นั้นเราต้องระวัง อันนั้นอย่าไปเข้าไปใกล้เพราะเป็นปาปะมิตรถ้าเป็นกัลยาณมิตรมิตรที่ดีมีแต่ชวนกันไปในทางที่เป็นธรรมไปในทางที่ถูกต้องเป็นในทางทำธรรมมาสามมาชีพเรียกว่าชักชวนกันไปในทางประพฤติปฏิบัติเพื่อแ ส, สวงหาทางพ้นทุกนายวัฏะสงสารอันนั้นควรจะสมควร ให้มีกนะัญญาณะน้มิตรมากๆเน่ดีนะเพราะนั้นขอให้พระทูกพระหลานทั้งหลายหมู่พวกเพื่อนทุกองค์การอยู่ด้วยกันให้สํารวมระวังอย่าอย่าให้มีเรื่องมีราวอย่าเงเช่นพวกหลวงพ่อหนะลวงพ่อเองในฐานะที่เป็นหัวหน้าหลวงพ่อก็เป็นห่วงห่วงทุกสิ่งทุกอย่างนะนะั่นแหละเลกการตลอดทึงการเป็นอยู่หลวงพ่อก็ไม่ได้ ดูได้ทอดทิ้งนะให้อยู่เป็นให้อยู่แบบสมณะสารูปก็ไม่ให้ฟุง้งเฟ้อฟุ่มเฟือยจนเกินไปถ้าฟุง้งเฟ้อฟุ่มเฟือยจนเกินไปหลวงพ่อเองก็ไม่สบายใจถ้าหิวโหยจนเกินไปถ้าต้องการฉันยุแต่ไม่มีอันจะฉันหลวงพ่อก็ไม่สบายใจอีกเหมือนกันหลวงพ่อจะต้องให้เพียงพอสําหรับผู้ที่ต้องการเป็นอยู่ ตามความเหมาะสมถ้าฟุ่มเฟือยจนเกินไปก็ทําให้เราฆรวาสญาติโยมผู้ที่ให้การสนับสนุนเขาดูถูกเหยียดหยามพระได้กับพวกเราท่านทั้งหลายเนี่ยจะดูถูกเกียดหยยำในกลุ่มของพวกเราเองโอ้พระวัดป่านาคําน้อยสมัยเมื่อเราเขาไปบวชการเป็นอยู่รู้สึกว่าฟุมฟ่มเฟือยฟุ่มเฟือยถ้าเราเป็นฆรวาส เราคงจะไม่ทําอย่างนั้นขนาดเป็นฆราวาสเรายังไม่ทํำการเป็นอยู่อย่างนั้นแต่ทําไมเป็นพระสงฆ์องค์เจ้าเป็นพระกรรมฐานแทๆ้ๆทาไมอยู่แบบลืมตัวขนาดนั้นพวกเราออกไปเป็นฆราวาสเราก็ตําหนิไม่มันมันไม่เป็นผลดีทั้งนั้นแหละเพราะฉนั้นถ้าหาว่าพวกเรามาบวชแล้วก็ซัมภคมระวังต่างรุ่นพี่ก็ระวังรุ่นน้องก็ระวัง การเป็นอยู่ด้วยกันในเมื่อเราเป็นกระวาดออกไปเป็นกระวาดเราก็ยังยกมือไหว้หรุ่นพีของเราครูบาของเราอยู่ที่วัดปา่านาคําน้อยหน้าครบนาพื้นฐานนาเรื่อมใสอากับกิริยาเราหาดูได้ยากอย่างครูบาอาจารย์ที่เราได้เห็นที่เราได้ศึกษามาเราบวชมาคราวนี้ไม่ผิดหวังแล้วด้วยความ ตั้งใจของเราเราไม่ผิดหวังเราไปผวดนะัสถานที่แห่งนี้หลวงพ่ออยากจะให้เป็นอย่างนั้นอยากจะให้เป็นเป็นกัลยาณมิตรเป็นเครื่องเกือ้อทุกคูณหมุนกันไปนานเท่านานผู้อยู่ในพระพุทธศาสนาถ้าเป็นพระไปก็อยู่ไปก็ต้องอาศัยผู้ที่ศึกไปเป็น ท, ทิ์เป็นจานนั่นเป็นคารวะญาติโยมนั่น ทำมาค้าขายแะ้วก็เออเมื่อเท่าแกชราของมหาคูบาที่เคยอยู่ด้วยกันตั้งแต่เก่าแก่ตั้งแต่บวชครั้งนั้นผลใ้สุขบางทีเราก็โค้งสุดท้ายเราก็อาจจะได้มาบวช เ, เป็นหลวงปู่หลวงตาอยู่ด้วยกันล้วนแล้วจะเป็นมงคลมหามงคลของชีวิตทั้งนั้นแต่ว่าพวกเรา เ, ออเป็นพระรุ่นเก่าก็อย่างนั้นเป็นพระรุ่นใหม่ก็อย่างนี้ ผลในสุดก็เลยมองกันไม่เข้าเข้ากันไม่ติดนะต่างคนต่างเห็นความลามกจบเปรตของซึ่งกันและกันมันไม่ดีนะลูกหลานนะหงพ่อไม่อยากจะให้เป็นอย่างนั้นให้พวกเรารักเมตตา ก, กันพระรุ่นใหม่ก็ให้อยู่ในหลักพระธรรมวินยัยอันไหนเป็นหลักพระธรรมวินยัยแนะนำน้องๆให้ไปในไปในในหลักพระธรรมวินยัย ต่อไปภายภาคหน้ามันจะอยู่ด้วยกันด้วยความยืดยาวนะยืดยาวทานอยู่ด้วยกันแบบนักลงนักเรงแบบหลับหลับหลบห ล, บลบช่อนซ่อนแบบทำมาหลายไม่ถูกตามหลักพระธรรมวินัยมันอยู่ด้วยกันไม่ได้นานหรอกอีกสักวันก็แตกกันคนละทิศคนละทางเพราะอะไรความชัว่วนความชัว่วความไม่ถูกต้องมันอยู่ด้วยกันไม่ได้นานถ้าหาว่าอยู่ด้วยหลักพระธรรมวินัย อยู่ด้วยขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดีคุณธรรมศีลธรรมจริยธรรมที่ดีมันจะอยู่ด้วยกันไปอยู่ด้วยกันนานทั้งครวาดทั้งพระจะอยู่ด้วยกันไปนานเท่านานในเมื่อเป็นครวาดขเอมือกันในเมื่อเป็นครวาดด้วยกันก็อยู่ด้วยกันด้วยความสนิทชิดเชื้อกันนึกขึ้นมาเมื่ อ, อไหร่ก็พึ่งพาอาศัยกันได้ทางด้านจิตใจมีมากน้อยก่อน เฉลือเผื่อแพ่กัน <c oughs> เห็นอกเห็นใจกัน เ, เพราะหะไรเพราะเมื่อเราอยู่ด้วยกันเราไม่ไม่เคยเอารัดเอาเปรียบกันมีความซื่อสัตย์สุจริตต่อกันมีก็มีว่าจนก็จนมีอะไรพูดให้ฟังพรที่จะเปิดเผยให้ซึ่งกันและกันฟังได้ เ, เพราะว่ า, เ, าเราเป็นคนซื่อสัตย์ต่อกันเรามิตรสหาย สหธรรมิกเนีน่ยหลงพ่ออยากจะให้เป็นลักษณะอย่างนั้นนะพาลูกพาหลานเพราะนั้นก็ให้พวกเราทุกๆ ท, ท่านนะอันนี้คือวิธีการวางแผนเรืวว่าการเป็นคารวาสของพวกเราหรือว่าเป็นการเป็นพระของพวกเราถ้าเป็นพระก็ไว้เนื้อเชื่อใจกันอยู่นสถานที่ใดไปนสถานที่ใดเป็นลูกศิษย์ลุกหาเคย อ, อยู่ด้วยกันพึ่งพาอาศัยกันได้ มีอะไรเฉลือเผื่อแพร่กันมีอะไรพึ่งพาอาศัยกันนี่แหละการอยู่ด้วยกันแต่มันก็ยากอีกเหมือนกันนะเพราะบางคนอยู่ด้วยกันหักเลี่ยหักเหลี่ยมกันชิงดีชิงเดยนกันไหวพลิบชิงไหวชิงพลิบกันจุดนี้มันน่าน่าคิดแต่ตามไม่จริงไม่น่าจะมีแต่มันมีฮะจุดนี้มันมี หลวงพ่อเองปฏิเสธไม่ได้เหมือนกันในจุดนี้แต่หลวงพ่อเองพยายามให้น้อยที่สุดจะไม่มีนะเกือบจะไม่มีเลยนะหลวงพ่อเนะีมีอะไรพี่น้องๆมามาถามไถ่ายแต่ถ้าไม่อยู่ตามหลักพระธรรมวินัยนะ่ะครบไม่ได้ท่านเองนะ่สิ่งไหนก็ตามถ้าไม่อยู่ในหลักพระธรรมวินัยออกนอกลู่ออกนอกลูนอ ก, นอ ก, นอ ก, นอกทางแล้วนะ่ะอันนั้นมันเข้ากันไม่ได้นะอไอ้พ่อเหตุไงเพราะเราบวชมามุ่งหวังมา เราไม่ได้มุ่งหวังอย่างอื่นเราไม่ได้มุ่งหวังลาบยสาศสรรเสริญโลกโหโมกนะไม่มีเพราะนั้นจุดนี้นะถ้าองค์ใดหมู่ทั้งมุ่งหวังทางโลกเกินไปคล้ายนี่บ่อเรื่องนั้นบนเรื่องนี้เรื่องออกนอกลูก่นอกทางตามแนวแถวพ่อแม่ครูบายการไม่ผ่าดำเนินมาตัวเองทำนั่นแหละมันเข้ากันไม่ได้นะแต่ถ้าว่าปฏิบัติตามศีลตามธรรมลวงพ่อหม่ ยินดียอมรับน้อมรับทุกองในหมูหมูพวกเพื่อนนะนี่แหละหลวงพ่อลักษณะอย่างนั้นนะพระลูกพระหลานนะแต่ถึงยังไงก็าตามทีให้พวกพระลูกพระหลานถึงจะไปอยู่ในสถานที่ใดก็าตามถึงจะเป็นพระก็าตามถึงจะเป็นครว่าตญาติโยมก็าตามให้รักษาความเข็มของตนเองเหมือนกับเกลือรักษาความเข็มฉันนั้น ให้รักษาคุณงามความดีของตนให้เชื่อว่าทำดีได้ดีทำชั่วในชั่วบาปบุญขุนโทษมีจริงนรกสวรรค์มีจริงสิ่งที่มันชั่วอย่าทำทำแต่สิ่งประกอบแต่คุณงามความดีไม่ถึง100ร้อยปีต่างคนต่างไปต่างคนต่างหนีจากโลกนี้ไปแล้วก็พยายามประกอบคุณงามความดีทำยังไงจิตใจของเราจึงจะเป็นสมาธิ เมื่อศีลเราดีแล้วนะการเป็นอยู่ของเราไม่มีปัญหาแล้วนะแต่ทำยังไงจิตใจของเราเป็นจึงจะเป็นสมาธินะอา่าเราก็ ป, กประกอบอในในเรื่องสมาธาิวันนี้เป็นยังไงตลอด24ชั่วโมงเนี่ยวันนี้เราปล่อยจิตปล่อยใจอะไรไปบ้างาก็ให้พยายามชกคิดในจิตใ จ, ใจตัวเองไว้อยู่เสมอวันนี้ เราได้นั่งสมาธิระย่างวันนี้ใจของเราเป็นยังไงวันนี้ใจของเราออกไปทางอกมากเกินไปหรือเปล่าสิ่งเหล่านี้เราก็ต้องพยายามย้อนดูตัวเองจากนั้นก็อย่าให้มันเตลดเิดเปิดเปิงจนเกินไปถ้ามันตเตลิดเปิดเปิ่งออกออกนอกลู่นอกทางเกินไปต่อไปมันจะคว้าหางไปติดนะมันจะกระโดดไปผลทศจุดไกลไปไกลไปผลทศจุดมีแต่โลกกับโลกเท่นี้อพอเหตุไรพอ เราขาดการใส่ใจขาดการสนใจขาดการเอาใจใส่ในเรื่องคุณงามความดีเพราะนั้นขอให้พวกเราทุกทุกท่านนะสิ่งเหล่านี้อย่างที่หลวงพ่อเคยพูดถึงยังไงยังไงก็ตามถ้าเราเราเราทึกถึงความตายไปอยู่เสมออีกสักวันหนึ่งนะอย่าเพิดเพลินรุ่มหล่งงัวเมาจะเกินไปนะเรานะตายแน่นะ อไม่มีเราไม่มีใครที่จะหลีกลีหนีพ้นไปได้นะตายแล้วเรามีอะไรเราเชื่อมั่นในตัวเองหรือยังคุณงามความดีเราเพียงพอหรื อ, อยังเป็นที่อุ่นใจหรือยังอคุณงามความดีบุญกุศลที่เราบําเพ็ญมานี่แหละสิ่งเหล่านี้เราต้องต้องชกคิดไว้อยู่เสมอนะอแต่ถึงจะเชื่อและไม่เชื่อก็เถอะมันไม่เชื่อเพราะอะไรเราก็ถามอีก ที่เราไม่เชื่อน่ะเพราะอะไรว่าตัวเองจะไม่ตายอย่างนั้นใช่ไหมทําดีไม่ได้ดีทําชั่วไม่ได้ชั่วอย่างนั้นใช่ไหมหาเหตุผลมาสิโดยมากถ้าเรามีเหตุมีผลแล้วทําดีมันต้องดีทําชั่วมก็ต้องชั่วมันชั่ววันอย่างค่าอย่างที่หลวงพ่อได้พูดเปรียบเทียบให้ฟังเราลุกขึ้นมาที่ไน่นลุกขึ้นมาก็ะเตะต่อยคนนั้นคนนี้ขึ้นมาเดี๋ยวนี้เลยที พวกเราก็ลุ่มจับผู้ลุ่มจับขึ้นมากันนะโทษมันหนักขนาดไหนพวกหนักขนาดก็ต้องเอาไปขังต้องเอาไปติดคุกนะแน่น่ะมันไม่ได้มันไม่ชั่วเหรอมันทําชั่วมันก็ต้องได้ชั่วนมันจะดีได้อย่างไรแต่พวกเราอยู่ด้วยกันด้วยความอ่อนน้อมถ่อมตนมีอะไรปรึกษาปารับกันเห็นกันแล้วก็มีความเอื้อเฟื้อเอื้ออารินอาดีต่กันพึ่งพาอาศัยกันแนะนําสั่งสอนบอกกล่าว บอกกล่าวกันประพฤติปฏิบัติดีปฏิบัติชอบต่อกันอันนี้คือการคุณธรรมคุณงามความดีท่าอยู่เป็นนานทสักเท่าไหร่ทําแต่คุณงามความดีอยู่ตลอดนั่นแหะอันนี้ก็คือความดีที่การอยู่ด้วยกันเพราะนั้นนะดีกับชั่วเราอย่าไปมองข้ามทําดีมันก็ต้องได้ดีสิจะชั่วได้ยังไงทําชั่วมันจะดีได้อย่างไรมันก็ชั่ววันยังข้ามอีกเหมือนกันเพราะนั้นในหลักของพุทธ ศาสนาพ่อแม่ครูอาจารย์ที่ท่านแนะนําสั่งสอนนั้นมันมีหลักมีเหตุผลในปัจจุบันนะัคณะลูกหลานทั้งหลายนะนั้นเพราะเหตุนั้นพวกเราควรจะประกอบคุณงามความดีควรจะสร้างคุณงามความดีเข้าสู่จิตเข้าสู่ใจของพวกเราทําดีได้ดีนักข่านะทําชั่วได้ชั่วนักข่านะนรกสวรรค์มีจริงนักข่านะตายแล้วไม่สูญนักข่านะ มรรคผลนิพานมีจริงนะข้าน่าหน่อเราต้องศึกษาเนั้นพอศึกษาแล้วเราก็ปฏิบัติไปเรื่อยๆความชัดเจนในจิตใจของเราจะแจม่มใสขึ้นเรื่อยๆ เ, เราจะรู้แจ้งเห็นจริงไปเรื่อยๆกิเลสในจิตใจที่เป็นเครื่องเมฆหมอกปิดบังจิตใจของเราก็จะจางหายไปเรื่อยๆด้วยสติด้วยปัญญาของเราเพราะนั้นการฝึกฝนทางด้านจิตใจ เป็นหน้าที่ของพวกเราทุกทุกองนะพาลกูกพาหลานทุกองนะให้ประกอบคุณงามความดีสั่งสมบุญกุศลเข้าสู่จิตเข้าสู่ใจนี่แหละชีวิตทั้งชีวิตพวกเราได้เกิดมาได้พบพระพุทธศาสนาได้พบพ่อแม่ครูบาอาจารย์ได้พบพระธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าแล้วอย่าอย่าอย่าให้ได้เปล่าประโยชน์นะต้องใช้กติต้องใช้ปัญญา การกรองไตรตอง ung, ด้วยเหตุและผลหลักของพุทธศาสนาหลักธรรมหลักธรรมหลวงพ่อกขายังพูดหลักธรรมคือหลักเหตุผลทำดีได้ดีทำชั่วได้ดชั่วมันมีเหตุมันมีผลมันมีผลมันมาจากเหตุมันมีเหตุมีผลของมันในนั้นนะเพราะนั้นพวกเราแต่ละเรื่องเหตุผลและเหตุผลน้อยเหตุผลใหญ่มันมีเหตุผลพร้อมของมัน ทุกๆอย่างเพราะนั้นให้พวกเราประกอบเหตุผลมันจะต้องออกมาดีถ้าเหตุดีนะถ้าประกอบเหตุชั่วนะผลจะดีได้อย่างไรมันก็ต้องเหตุชั่วถ้าประกอบเหตุชั่วใหญ่ผลมันก็ต้องออกมาชั่วใหญ่อีกเหมือนกันพกเพราะอะไรเพราบมันออกมาจากเหตุเนะพราะนั้นขอให้พวกเราให้ดูเหตุมันเหตุแห่งแห่งสุขหรือเหตุแห่งทุกขนะ์ ถ้าเหตุเป็นเหตุแห่งสุขก็คือเหตุดีเห ต, เหตุแห่งทุกข์ก็คือเหตุแห่งชั่วความชั่ว น, ะนั่นแหละมันสรุปแล้วออกไปจากใจของเราทั้งหมดอย่างที่หลวงพ่อได้พูดนะหลักของหลักธรรมคำสอนของพุท ธ, ธนะเนี่ยย้อนเข้ามาหาตัวผู้รู้คือใจทั้งหมดลูกหลานนะแต่วิชาทางโลกนะตะคุบออกไป้างนอกส่งกระแสออกไปทางนอกกระจายไปทางนอกนะ แต่หลักทำความสอนของพุท ธ, ธานะียน้ยน่ยนยน่ยนย่นยนเข้ามาขนาดใจนึกคิดจนถึงก็ว่ามีจุดมีต่อมอยู่ที่ใดนั่นแหละคือตัวพบนะตัวพบตัวชาติเนี่ยแหละองค์หลวงตาท่านดูถึงขนาดนั้นละ่ะจากนั้นก็ท่านก็ปล่อยวางไม่ยึดมั่นถือมั่นจุดนั้นเนี่แหละนี่หลกคือหลักทำคําสอนของพุทธะ ทำคำสอนของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านให้ย่นเข้ามาถึงตัวผู้รู้คือใจตัวนี้หละเป็นหลงตัวนี้แ่ละหลงโลกหลงรงสารหลงโลกหลงทางมักใหญ่ไฟสูงก็คือตัวนี่แหละไปทำความชั่วชา้าเสียหายก็คือตัวนี่หละจะ ไ, ไปสร้างุบุญกุศลมหากุศลก็คือตัวนี่แหละตัวนี้คืออะไรคือตัวใจคือตัวมโนมโนปุพัง เรื่องทั้งหลายมีใจเป็นใหญ่มีใจเป็นหัวหน้านี่แหนะละหลักของพุท ธ, ธให้ลูกหลานทั้งทั้งหลายที่ฟังไปได้ฟังสังเกตใช้ปัญญาการกล้องแต่ตรองด้วยเหตุและผลฟังดูแล้วจะไปฟังเฉยๆนะฟังแล้วดูให้นั่งภาวนาดูอีกนั่งทําจิตใจให้สงบอีกเมื่อจิตใจสงบหนึ่งแล้วนะนะยอมรับทันทีโอ พ่อแม่ครูบาอาจารย์พระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นของเองจริงๆฮะมันอยู่ที่ใจของเราใจของเรายอมรับใจของเราเห็นรู้หลักเหตุผลมันยอมรับที่ใจนะพระลูกพรลานนะตอนนี้ไปสุดท้ายปฏิโมก